หลวงพ่อไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วของการยกมือ <c oughs> ไม่เหมือนสนามม้ามเพราะนดูบางทีก็พลาดนะพลาดได้ข อ, อโหสีกรรมด้วย <c oughs> ที่ยกก่อนหลวงพ่อไม่เห็นอะไรเงี้ยนะหรือบางคนเรียกไ้แล้วนะเรียกไ้แล้วสมมติเรียกไปห้าคนนะ้วเขาส่งกันบ้านไปสามสี่คนแล้ว ตอนส่งไม้ไปส่งไม้มานะคนอื่นเอาไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วคิดว่าหมดแล้วบางทีเขาถามนะว่าหมดหรือ ย, ยังพวกที่เรียกไว้เขาไม่ยกมือนะแล้วไปบนที่หลังว่าหลวงพ่อไม่เรียกงั้นขอตรวจกันบ้านพวกอยู่วัดก่อนเอาไม่ต้องลองอุ้ยหรอกอก็พอนาไปเรื่อยเมื่อวาน มันภาวนาไปได้แค่สองชั่วโมงจิตมันก็เริ่มฟุ้งซ่านนะครับคือคือมันก็เหมือนกับว่าก็เลยพยายามดูในแง่ว่ามันคือไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันก็พอถึงเวลามันก็มันก็จะฟุ้งไปของมันเองครับอืแต่ว่าตรงที่หลวงพ่อแบบจิตไม่เป็นกลางยังยังดูไม่เคยออกแค่สังเกตว่ามันผิดปกติจากจิตตอนปกติเออแค่นั้นก็พอละรู้เท่าที่รู้ได้นะ อ๋อปอแม่แม่มาเหร อ, อ, อฟุ้งซ่านเหมือนกันนะครับแต่มันเหมือนว่ามันมีแรงขึ้นจากเมื่อวานนะครับอมีแรงขึ้นถูกต้องไปดูไปยอมรับสภาพจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านอ่านหนังสือมาเยอะนะครับทีนี้ก็เมื่อวานเนี่ยพยายามที่จะทําตัวให้เป็นเป็ น, ปนธรรมดามนะครับทีนี้เราก็เริ่มจะไปพยายามสร้างความเป็นธรรมดาขึ้นมาเพื่อจะดูมันนะครับก็เลย อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าที่เรารู้เนี่ยเหมือนกับว่าเราคิดมากขึ้นหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่ามันช่วยกันช่วยคิดด้วยแล้วก็สุดท้ายนี่อยากให้หลวงว่าช่วยชี้แนะว่าคุณจะต้องทําสมบัติวันนี้นนดีดขึ้นแล้วนะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมใจเป็นธรรมชาติธรรมดามากขึ้นรู้สึกไหมดูไปเล่นๆไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกรู้เล่นๆนะในเนี้ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่รู้เล่นๆมันน้อมใจให้เบลอเมื่อกี้เนี่ยน้อม เน่ๆๆอย่างเนี้ยไม่เอานึกออกไหมตัวนั้นมันน้อมใจไปตรงนี้เพ่งเอาไวล้ละนะปล่อยสี่ปล่อ ย, ปอยเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่อย่างนี้นะนี่ธรรมชาติไม่ใช่นะอือแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยมันสุดตรงสองข้างนะข้างบังคับกับข้างหลงอ่อนแอไปใจสบายๆใจธรรมดานะนี่เกินธรรมดานิดหนึ่งใช่ไหมมันวูบขึ้นมาเมื่อกี้นะเออนะ เบาเกินไปก็ไม่ได้นะคุณหมอว่าไงก็กระสับกระส่ายบ้างครับหลวงพ่อแต่ว่าอย่างที่เมื่อวานพยายามดูก็คือบางทีมันก็เหมือนกับว่ามันจะเข้าไปดูอะครับแต่ว่าคือบางทีมันจะเห็นเหมือนแบบจิตมันทํางานซ้ำซ้ำซากซาน่าเบื่อไหนครับหลวงพ่อก็ก็ก็บางทีก็ก็เหมือนมันก็จะทําแต่ว่าก็รู้สึกตัวก็ ก็เรื่อยๆถูกต้องไหครับใช่ไหมครับหลวง่อก็คือููเป็นธรรมชาตินะแต่นี้บังคับเกินธรรมดาไปนิดนึงนะมันน่มีผลผลิตมาตามกลับบ้านเหรอไปมาตามกลับบ้านครับอายุเท่าไหร่คนนี้หกขวบแล้วหกขวบดูจิตเป็นยังเห็นไหมเวลาอยากอยากกินขนมอยาก ดูหนังรู้ไหมใจมันอยาการู้จนะ้ะค่ะรู้เนาะดีหัดรู้บ่อยๆนะโตแล้วจะได้ชำนานแล้วตอนนี้หมดคนที่อยู่วัดละ <c oughs> เบอร์เก้าห น, นึ่งเชิญเนี่ยทีนี้ไม่ลืมแล้วต้องจดแล้วไม่งั้นมาตัดพอต่อว่าเราเรื่อยเลยน ตอนที่ร้องไห้เวลาที่ร้องไห้ทําไมต้องรึกสึกที่ไม่ดีอ้าวตอนแปลตอนที่ร้องไห้ทําไมต้องนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเหรอถ้านึกถึงสิ่งที่ดีก็ไม่ร้องไห้สิ <c oughs> เพราะงั้นต่อไปนี้เรานึกถึงเรื่องดีๆไว้นะจะได้ไม่ต้องร้องไห้ร้องไงอายุเท่าไหร่คเนี้หกขวบครับรหรอหกวับหกนะมันเล็กไปนิดนึงนะ สมัยพุทธการมีอายุเจ็ดขวบเป็นพระอราหารันต์หเล็กไปไหนอเบอร์8ปเบอร์ปดยกมื อ, อ, อระยะ น, นีเ้เมื่อประมาณสองปีที่แล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าหนูเป็นคนที่หูดิดง่ายอะคะ่ะหนูเพิ่งจะเห็นอะเห็นนานจังดูสองปีแล้วเพิ่งจะเห็นะระยะ น, นี้รู้สึกมันหูดิดง่ายจริงๆอะคะ่ะ <c oughs> แต่รู้สึกไหมทําไมเราเห็นเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้บังคับจิตจิตของเราเป็นอิสระมากขึ้นเราก็เลยเห็นตัวจริงของเรามากขึ้นรู้สึกไหมใจมันโปร่งมันโลง่งมันเบาขึ้นมันเป็นบางวานันเป็นลองนะช่วงมันไม่ได้บังคับตรวที่มันไม่บังคับเนี่ยมันจะเห็นความจริงงั้นขี้โมโหโมันจะขึ้นมาเองถ้าบังคับไว้นะคนมาด่ายังไม่มโมโหเลยนะดีที่เห็นพัฒนาขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะน หลวงพ่อมีอย่างอื่นแนะนําให้หนูดูไปอีกสินะทําเป็นแล้วดูอีกดูไม่เลิกหลวพ่อค่ะแล้วก็บางทีถ้าคนมายุ่งกับหนูหนูจะขี้งหงุดหงิดอะค่ะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมารบ ก, กวนเนี่ยหนูจะจิตมันจะอ ย, อยากอยากอยู่ตลอดเวลาแล้ว<ด>เวล า, าที่กระทบอารมณ์ไม่พอใจอะมันก็ถึงเชงหงุดหงิดแล้วมันก็อ ย, กอยากอยู่เรื่อยๆแล้วมันถ้าอารมณ์มันมันเหมือนมันจะไปหาอารมณ์ที่เราชอบก็คือมันชอบกินนะคะ <c oughs> หนูก็จะกินกินบ่อยมากเออรู้ไปนะ แล้วมีเทคนิคยังไงให้กินน้อยลงไหมคะสมัยพุทธกาลนะมีพระเจ้าแผ่นดินคนหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นคนชอบกินกินจุนะพระพุทธเจ้าเลยให้อุบายให้คนคนหนึ่งนะพอพระเจ้ากวดสเสวยไปเล็กน้อยเนี่ยคนนี้จะท่องคาถาของพระพุทธเจ้าบอกคนกินมากนะไม่ดียังง้นไม่ดีอย่างนี้นะคือถ้าเราเห็นโทษนะเราก็ ลดลงได้นะเราอย่าไม่เห็นโทษไหมลดล ง, งเบอร์ยีิบเจ็ดเรื่องกินหลวงพ่อเห็นใจนะแต่ก่อนหลวงพ่อก็ชอบกินทุกวันนี้หลวงพ่อฉันนิดเดียวนะแต่ว่ามันเป็นกรรมพันธุ์อ้วนพระลูกวัดหลวงพ่อเนี่ยฉันเข้ามากกว่าหลวงพ่อสามเท่านั้นก็ผอมเมาผอมเมากลับหลวงพ่อครับอจะรบกวนเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อเคยบอกผมว่าผมเพ่งอยู่ฮ ไ, ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังยังติดเพ่งอยู่ฮะหรวยออกมาแล้ว ดูแลนะฮะทีนี้ผมกลางคืนผมจะเดินแล้วก็จะนั่ง่นะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนั่งแล้วมันยังรู้สึกอ่ะมันตึงๆที่หน้าอันนั้นคือก็ไปเพ่งเหมือนเพ่งอยู่นี่แหละบางวันก็จะรู้สึกทําได้ดีบางวันทําไม่ได้ดีเป็นปกติกตไม่ดีทุกวันหรอกทีนี้ถ้าถ้าผมไม่ได้ไปไปติดประเด็นว่าคือผมเกรงว่าการที่ผมพอทําไม่ดีแล้วปล่อยมันเนี่ยเป็นไปหลงกิเลสไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอืมอะไรนะ คือพอมันทําไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะเพ่งเนี่ยก็เกรงว่าจะเพ่งก็จะไม่ทําโอ้อย่าไปเพ่งสินะไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันไปค ร, ครับทีนี้การที่ไม่ไม่ทำเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองกลายเป็นหลงหลงกิเลสหรือเปล่าไม่ไม่ควรจะทอดทิ้งการปฏิบัตินะครับอย่าไปกลัวเพ่งแล้วก็เลิกปฏิบัติไปอยากให้คอยรู้ทันว่ามันเพ่งก็พอแล้วครับแล้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไป ก็ยังเดินอย่างนี้ได้ไม่ไม่ลงทางเช่นเราเดินจงกลมอย่างนี้เดินแล้วมันเพ่งขึ้นมาก็ไม่ใช่เลิกเดินเดินแล้วมันเพ่งก็รู้ว่ามันเพ่งแล้วก็เดินไปเดินดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยๆนะไม่ไม่เลิกนะเลิกเลิกเดี๋ยวขี้เกียจเป็นเคราอ้างคแต่แต่ยังอยู่ในทางนะอยู่สิอยู่ดีกว่าเก่าตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจไม่เหมือนเดิมแลนะรู้สึกอือดีต่อไปเบอร์50เห็นไหมจําแม่น รู้สึกมาใจกระจายกระจายครับผมถูกต้องกดนิดนึงครับเออถูกต้องครับให้รู้ไปตามที่เขาเป็นนะอย่าไปเกลียดเขารู้สึกยอมรับได้ไหมไม่ค่อยได้นะไปรู้ตัวที่ไม่เป็นกลางเบอร์21นมับกรรมารค่ะ ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะหนูปฏิบัติก็พองยุบมาหลายปีค่ะก็รู้สึกรู้สึกว่าติดแป้งค่ะแน่นอนเลยอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้หนูมันเริ่มคลายออกแล้วนะแต่ยังไม่หมดทีเดียวหรอกนะ<ช>อย่าไปบังคับมันแล้วฉะนั้นหนูหนูควรฝึกแบบไหนคะก็ฝึกมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ให้มากถึงเวลาจะฝึกพองยุบก็ได้แต่อย่าไปเพ่งมันอย่าไปกําหนดมันแค่รู้สึกว่าร่างกายมันพองรู้สึกว่าร่างกายมันยุบนะ เวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ต้องกําหนดกําหนดแล้วมันเป็นสมถะคุณค่ะยี่สิบหก็โดยทั่วไปใจมีความนุ่มนวลขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็แต่ว่ายังหลงบ่อยอยู่แต่รู้สึกว่าข้างในมันเหมือนมันมันเดินเรียบขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ได้ทําเหมือนก็มันเป็นเองค่ะดีสีนะหัดไปแต่ว่าก็ยังไม่เป็นกลางต่อความรู้สึกหลงแล้วก็เออ คืออยากจะรู้สึกตัวอยู่นะเาค่ะแล้วก็ไม่ชอบตัวโมหะก็ยังมีอยู่มากเจ้าค่ะแนะปดรู้ทันตัวเองใช้ได้ละขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์แปยกมือ87นมัส ก, การกับหลวงพ่อคืออยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็มีโอกาสมากราบท่านไม่มากนะักขอให้ท่านช่วยดูด้วยว่าตอนนี้เข้ารกเข้าพงไปหรือยังไม่เข้ารกเข้าพงนะแต่ใจมันยังไม่ตั้งมัน่น สึกแม้มันกระจัดกระจายกว้างๆออกไปนะให้รู้ทันว่าใจไม่ตั้งมั่นหรือมันตั้งเองอย่าไปดึงให้ตั้งนะถ้าดึงให้ตั้งแล้วจะแน่นดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกนะ่ะมันเป็นบางช่วงค่ะออใจมันไม่ตั้งมั่นให้รู้เอาถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะมรรคผลจะไม่เกิดแต่ถ้าอยากให้ตั้งมั่นแล้วไปเพ่งไว้ก็ไม่เกิดมรรคผลอีกแล้วแหละ ต้องรู้สบายๆ ส, สักว่ารู้สักว่าเห็นใจตั้งมั่นเป็นกลางโดยที่ไม่ได้ บ, งบนะังคับเพราะฉะนั้นถ้าไปบังคับอยู่ก็ให้รู้ทันเดี๋ยวต่อไปมันจะตั้งมั่นได้เองนะเบอร์บ 51, 51ยกมือค่ะก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกอะค่ะก็เก่งนี่ยกมือได้ยังไม่เคย อ่านหนังสือหรือดูซีดีเลยมากับพี่สาวะอะค่ะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูสภาวะจิตให้หน่อยอะค่ะต้องดูเองสิหลวงพ่อดูเดี๋ยวหลวงพ่อบรรลุมรรคผลไปเราต้องดูของเราเองนะรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเคยรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไหมในวันเดียวกันเนื้อความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นนะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อย ไม่ต้องเช้าสายบ่ายเย็นเปลี่ยนอ่ะแค่ว่าอย่างเราคุยกับเพื่อนเราอย่เงี้ยใจเรายัางเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยคุยเรื่องนี้สนุกเห็นไหมคุยเรื่องนี้เครียดคุยเรื่องนี้พอใจคุยเรื่องนี้ไม่พอใจนั่นใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เราคอยรู้ไปเท่านั้นเองมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่าตอนนี้ไม่ใช่รู้ละหลงไปละรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันหลงวูบไปเลยเห็นไหมนะมันหลงไปไหนมันหลงไปคิด เพราะฉั้นหัดดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะแล้วไปฟังซนะีดีนะเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นของคุณไม่ยากหรอกเพราะไม่ได้ติดเพ่งพวกที่ไปเข้าวัดเข้าคอร์สมากๆแล้วละฝึกยากพวกที่ไม่ค่อยฝึกพวกไม่เอาไหนฮะไม่เคยไปเรียนที่ไหนเลยนะไม่เอาไหนหมายถึงที่ไหนก็ไม่เอา <laughs> พวกนี้ภาวนาง่ายพวกเอาหลายที่ไม่ได้กินหรอก 33ครับพอดีเพิ่งเริ่มลองภาวนาดูแล้วก็ที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ส่วนสันติธรรมทีนี้อยากจะขอคําแนะนําหลวงพอ่อว่าเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาโยมยังเพ่งอยู่นะมันยังเพ่งอยู่ยังบังคับตัวเองอยู่ให้นั่งเล่นเล่นนั่งดูกายนั่งดูใจเล่นเล่นเช่นเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบดูเล่นเล่นอย่าไปนั่งจริงจังจริง จ, งจังไปเราเครียด ภาวนาแล้วเครียดทาผิดนะจิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลจิต ท, ที่เป็นกุศลไม่เครียดหรอกอแล้วไงอีกแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลองกรรมฐานเนี่ยควรจะเป็นไปในแนววิปัสนาหรือสมถะ ถ, ถึงจะดีคะสําสหรับตัวเองทำวิปัสนาสิสมถะทําทําไมเอาไว้เวลาไม่มีศาสนาพูดธแลกให้ฝึกสมถะไม่สายเกินไปหรอกนะตอนนี้มีศาสนาพูดต้องเรียนวิปัสนาไว้ วิปัสสนาก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่การนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่การเพ่งกายเพ่งใจแต่เป็นการรู้กายอย่างที่กายเขาเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเขาเป็นอย่างตอนเนี้ใจไปคิดรู้ไหมมาฟังหลวงพ่อแล้วมันก็ไหลไปคิดรูปคิดตามที่หลวงพ่อพูดนะใจไปฟังก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจมีปีติขึ้นมาก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนี่เรียกว่าคอยรู้มันไปเรื่อยๆ ไม่บังคับให้นิ่งอย่างเมื่อกี้ไหลไปวูบหนึ่งรู้สึกไหมไหลไปเราก็รู้ว่าไหลไปตอนเนี้กดเอาไว้แล้วทราบไหมทราบค่ะเออไม่กดนะลงไปนะไม่ดีแล้วก็เพ่งเอาไว้ไม่ดีนี่เพ่งใหญ่เลยเพ่งมากกว่าเก่าอีกนะรู้ยังให้รู้เฉยๆนะไม่เผลอไปไม่เพ่งเผลอเราก็รู้ว่าเผลอเพ่งเรารู้ว่าเพ่งแล้วมันพอดีเองอ่าหมดละเบอร<บ>์ยังอเอามียี่สิบยี่สิบอยู่ไหน เอออย่างนี้หลวงพ่อค่อยไม่สับส น, นอย่างนัตาลายนะเราแทบลมใส่ตกเก้าอี้เลยบางวันมัสการหลวงพ่ อ, อ, อไม่ทราบว่าใจิตใจผมช่วงนี้เพ่งไปหรือเปล่าครับเพ่งนะยังเพ่งอยู่นะนั่งมานานแล้วก็เพ่งมาเรื่อยๆรู้สึกไหมครับดูยังไงว่าใจเราเพ่งถ้าเมื่อไรใจเราไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อนั้นเพ่งอยู่นะรู้สึกไม้มใจเรานิ่งกว่าความเป็นจริงรเออนิ่งเกินไปแล้วเพ่งไวน้อะ ให้รู้ปล่อยซะแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นใจถึงถึงครับไม่ทราบถ้าผมจะปฏิบัติตามรูปแบบชวรจะทำสมาธิหรือว่าเดินจงกรมไปเดินสิเดินไหมเดินแต่อย่าเดินเท่งนะเดินรู้สึกเดินรู้สึกนั่งก็รู้สึกเดินก็รู้สึกยืนก็รู้สึกนอนก็รีบๆหลับซะอ้าวต่อไปนมัสการหลวงพ่ออยู่ไหนร้อยเจ็ดอยู่นี่ค่ะมาครั้งแรกค่ะ ก็หัดปฏิบัติเมื่อสักต้นปีที่แล้วอะค่ะเช้าวันหนึ่งคือปกติเนี่ยจะเป็นคนกับดึกก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตอนนั้นคืนจะตื่นมาประมาณตีห้เนี่ยจิตมันปลุกตัวเองตื่นแล้วค่ะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะความที่ข้างในมารู้สึกว่ามันตื่นแล้วก็จะปฏิบัติเลยเมื่อสักประมาณตอนนั้นเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในขณะที่ภาวนาอยู่ภาวนาไปแล้วอยู่ จิตมันก็เห็นว่ากายมันอยู่ส่วนกายใจมันอยู่ส่วนใจแล้วก็พอมองไปที่กายล้วเนี่ยเหมือนน้ำตามันจะไหลแต่ตอนนั้นก็คือหันมาดูที่ใจเราก่อนพอดูที่ใจเราเนี่ยเห็นว่าหัวใจเต้นแรงมากแล้วเห็นเหมือนมีบางสิ่งห่อหุม้มอยู่คือมันเป็นความอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมากจนเราไม่รู้มันคืออะไรมันคืออาสวะล่างในแล้วก็พออยู่ๆก็หันไปมองในสิ่งหนึง่ง ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเหมือนกับมีบางอย่างบอกตัวเองว่านี่คือจิตมองเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นสีเทาๆคงพงโปรงแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่นิ่งและสงบมากอยู่ในนั้นอันนั้นไม่ใช่จิตนะอันนั้นเป็นสิ่งที่จิตมันปลุงขึ้นมาจิตคือคนที่ไปมองมันคะน่ะตัวนั้นไม่ใช่จิตหรอกนะ ก็ตอนนั้นเลยกลับมาดูที่ใจตัวเองทีค่ะคก็เห็นว่าใจตัวเองนั้นเต้นนั้น น, นแล้วพอกลับไปดูที่สิ่งนั้นที่หลวงพ่อบอกไม่ใช่จิตจริเนี่ยคือขยบเหมือนขยบเข้าไปดูใกล้ๆมารู้สึกถึงความสงบนิง่งไม่ได้ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองเออไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจเต้นของตัวเองเจ้าค่ะอย่าไปเพ่งใส่มันนะถ้าเพ่งแล้วจะเป็นสมถะค่ะก็ไม่ได้ดูมันเจ้าค่ะออกมาดูกายตัวเองที่นอนอยู่ก็เห็นว่าตัวเองน้ําตาค่อยๆไหลออกมา แล้วก็ไหลออกมาไม่หยุดเจ้าค่ะนะ่าดูไปนะ่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูบ่อยๆค่ะนะตอนนั้นก็ภาวนาเห็นเห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจะออกจากสมาธิมาแล้วน้ําตา ก, ก็ยังไหลไม่หยุดเจ้าค่ะมันนึกดูมันเหมือนกับว่ามันอะไรอวรนกันเจ้าค่ะใช่มันอะไรอวรเพราะว่าตัวเราหายไปที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าอ่ะนะ บางคนภาวนาพอเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจมันไม่ใช่เราเนี่ยยังยอมรับความจริงไม่ได้เสียดายอะไรอวรใช่เจะผ่าให้รู้ไปอีกยังไม่พอดูไปเรื่อยๆฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะดีก็หลังจากนั้นมันเหมือนกับว่ากระดที่หลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราเออมันเหมือนกับกระดที่เราจะก้าวขึ้นไปขั้นต่อไปมันมองไม่เห็นเจ้าขาเพราะมันเหมือนกับว่า เรารู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆจนมันพอของมันเองตอนนี้มันยังไม่พอรู้สึกไปอีกนะอย่ารีบร้อนนะอย่าอยากได้ผลถ้าอยากได้ผลจะไม่ได้ผลเลยเล้วค่ะมีคำถามนะคะเห็นไม่เคยมีใครถามแต่ว่าก็คิดว่า ตอนนี้มันเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นเขามาสอนหรือเขามากวนอยู่ก็ไม่รู้เจ้ค่ะอืมจเจริญเมตตาไว้แล้วก็แผ่ส่วนบุญไปแผ่ไปแล้วแต่ทุบตู้โคมโคมทั้งคืนเลยค่ะหลวงพ่ออะไรนะทุบฝาตู้ค่ะตอนแรกข อ, อกก ก, ก, ก่อนอพอเราไม่สนใจก็ทุบเปลี้ยงเออนั่นแหละเขาข อ, ข อ, ขอความช่วยเหลือเราแนผะ่เมตตาให้เหรอคะหลวงพ่อแผ่ส่วนบุญสิแผ่ส่วนบุญเออนะแผ่เมตตากับส่วนบุญไม่เหมือนกันนะแผ่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขา ไม่ได้กลัวเขาหรอกเป็นรู้สึกเป็นมิตรกันเป็นพวกกันส่วนแผ่ส่วนบุญนะนะอุทิศส่วนบุญไปให้พวกผีนะบางทีต้องการส่วนบุญนะไม่ได้ต้องการเมตตาแต่หมาวิ่งมาหาเราอย่าไปแผ่ส่วนบุญนะให้แผ่เมตตา <laughs> มันคนละแผ่นะเราไปเนะบอร์ห้า 5, ยกมือเบอร์ห้านมรดการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อจะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วย สอนว่าลูกมีจลิตที่เหมาะกับกรรมฐานเราเป็นคนช่างคิดนะเพราะฉะนั้นเราดูใจของเราไปใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ยกไปยิกทั้งวันเราคอยรู้เล่นๆแต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะดูเล่นๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดแล้วทำผิดถ้าเครียดเราก็หยุดก่อนแล้วสบายๆแล้วก็ดูเอาใหม่แล้วตอนนี้หนูมีติดเพ่งมั่มเพ่งอยู่กำลังเพ่งอยู่เอาเบอร์ยี่ยกมือ นี่คราวนี้มาบ่นไม่ได้แล้วว่าเรียกแล้วไม่ให้คุยครับกับน้มัสการครับหลวงพ่อครับก็มันเมื่อกี้ที่หลวงพ่อสอนเรื่องเรื่องเพ่งอะไรเงี้ยครับคือผมเองก็เพ่งอยู่มา2อสวันแล้วครับเออแต่มันคลายแล้วนี่ครับก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้วิธีดูที่ผมดูตอนมันเพ่งอยู่ะครับมันถูกหรือเปล่าครับเอย่าไปดูสิตอนเพ่งนะตอนเพ่งไม่สบายจิตใจไม่มีความสุข S <S จิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่สงบดูยากเราเรารู้สึกตัวสบายๆอยางเงี้ยเราค่อยดูกายดูใจไป อ, อย่างตอนเนี้ยอยากพูดทราบไหมครับตอนนี้ยก็แค่อยากพูดอยเงี้ยเราก็รู้เนียอยู่ในชีวิตธรรมดายเงี้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดตอนมันเพ่งอยู่ผมควรจะเลิกปฏิบัติไปเลยหรือเปล่า <S <S เพ่งอยู่เราก็รู้ว่ามันเพง่งนะไม่อยากจะเพง่งรู้ว่าไม่อยากเนี่ยอย่างเงี้ยดูจิตต่อไปได้เลยอ๋อ แต่อาการทางกายถ้าเกิดมันจะปวดหัวอะไรก็เป็นเรื่องของมันไปใช่ไหมครับถ้ามันทรมานมากก็เลิกใช่ไปเพ่งมันอออกมาใช้ชีวิตประจําวันนี่ให้เยอะๆครับหลวงพ่อครับพอดีผมไม่ได้มากราบหลวงพ่อนานมากหลายเดือนนะครับก็แล้วก็ช่วงหลังๆก็จุมทางโลกเยอะเหมือนกันแต่ก็พยายามปฏิบัติเท่าที่ทําได้ครับวันนี้มาก็เลยอยากจะมาขอคําชี้แนะหลวงพ่อเผื่อผมที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะครับ ไปฝึกอีกไปทำอย่างนี้ต่อไปทำอย่างนี้เนี่ยนะจิตดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อหกสิบสี่ยกมือกราบน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะคือมาส่งกันบ้างครั้งแรกอะค่ะก็อยากจะมาถามหลวงพ่อว่าเดิมรู้สึกจิตเบาๆอะค่ะแล้วเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาก็ไม่ทราบว่า เป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราอย่าไป เ, <ๆ S 2> เพ่งมันนะมันหนักก็รู้มันเบาก็รู้นะ<อ>มันเป็นยังไงก็รู้รู้ ร, รู้เดียวตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่ป่ะคะติดนิดหน่อยติด<อ>นะแต่ไม่แรงอะเราควรจะปฏิบัติทําสมาธิเรื่อยๆแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากมากก่อนนะให้ชํนนนนานิชํานานจนกระทั่งเราชํนนานาญมากเลยจิตไปเพ่งนิดหนึ่งเราก็รู้ทันเลยอย่างเงี้ยเราค่อยไปทำสมาธิไม่เป็นไร ถ้าตอนนี้ไปทำสมาธิเดี๋ยวจะกลับไปเพ่งแรงอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเก้าสิบสี่เอาเบอร์94ยกเือร์ขึ้นแล้วรับใหม่ไปก็ไปกราบหลวงพ่อครั้งแรกตั้งแต่ตอนอยู่เมืองการนะคะคือตอนนั้นไปเนี่ยจะคนน้อยแล้วก็หลวงพ่อก็จะช่วยดูให้เผลอไปคิดเผลอไปอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยจะปวดหัวมากมคือกลับไปเนี่ย วันครึ่งถึงจะหายหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังซีดีหลวงพอ่อทีนี้เพิ่งจะมาเริ่มฟังเนี่ยประมาณ3าสเดือนที่ผ่านมาค่ะแรกๆฟังเนี่ยก็ยัง ม, มีปวดหัวบ้างบางครั้งก็ไม่ปวดนะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ว่าที่ฟังแรกๆมีแบบว่าจะตึงตรงหน้าผากนี่เลยะคะ่ะเราพยายามจะบังคับตัวเองให้รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องก็ได้วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อนะฟังไป ฟังแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆฟังแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยฟังแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปไม่ต้องรู้เรื่องนะลองไปฟังแบบนี้นะเราจะไม่ปวดหัวค่ะแล้วกเ็เริ่มกลับมานั่งสมาธิอีกเมื่อ<ม>อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ก็รู้สึกสบายขึ้น<ม>นะคะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าแบบควรจะทํามากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะทําบ้างนะแต่ไม่มากเดี๋ยวจะไปเพียงอีก ของคุณมันขยันเพ่งอยู่แล้วเลยปวดหัวเก่งเบอร์124ยกมือนรมัส ก, กัดค่ะหลวงพ่อจะขอส่งการบ้านนะคะเอ่อมีอยู่วันหนึ่งระหว่างทำอาหารอยู่อะคะ่ะก็มือมันก็หยิบของอใส่หม้อใส่หม้อไปอพอนีพอหยิบไปหยิบมามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ อ, อะคะ่ะ สภาวะธรรมเป็นรูปปันหนึ่งไม่ใช่เราแล้วใช่คะแล้วเราก็เลยก็เลยหันย้อนกลับมาดูตัวเองก็มีความรู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งมันมองดูมือที่เคลื่อนไหวอยู่แต่มันไม่ใช่เรานั่นแหละใจมันเป็นคนดูนะใจมันก็ไม่ใช่เราอร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เราเห็นไหมภพอนาอย่างที่หลวงพ่อสอนแล้วได้ผลเร็วเห็นไหมบางคนทํามาตั้งหลายปีไม่เห็นอย่างนี้หรอกไปฝึกอีกเราต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไม่เพิ่มสิเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะรู้สึกเล่นๆไป ของคุณต้องลดลงด้วยซ้ํำไปลดการบังคับตัวเองลงอย่าบังคับแรงเกินไปค่ไม่เพิ่มนะให้ลถน ะ, ะแต่ว่าต้องนั่งสมาธิอีกไหมคะตอนกลางคืนนะคะนั่งสิแต่ถ้าเดินจงกรมได้เดินดีกว่าเดินดีกว่านะครับนะเคลื่อนไหวไว้ของคุณจิตมันพร้อมจะซึมค่พยายามกระดุกกระดิกไว้ค่ะขอบคุณค่ะเบอร์61ยกมือ ค่ะตั้งใจจะมาถามของตัวเองกับของคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าถามได้คนเดียวจะลบกนหลวงพ่อช่วยแนะนําคุณแม่ค่ะแม่แม่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะคุณแม่เคยฟังซีดีหลวงพ่ อ, อแต่แม่บอกฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องรู้เรื่องไงเอาอย่างที่หลวงพ่อบอกคุณตะกี้เนี้ยฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็ดูใจตัวเองไปเช่นตอนนี้ใจไปคิดรู้สึกไม้มใจมันไหลไปคิดก็รู้ว่ามันไหลไปคิดนะใจมันเป็นไงก็รู้ทันมันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องไม่มีใครฟังธรรมะรู้เรื่องหรอกธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เห็นเฉพาะตัวขึ้นมาแล้วไงอีกจะถามของตัวเองว่าที่ทามาประมาณปีหนึ่งไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่าถูกสินะไปทำอีกนะในใจมันยังไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงค่ะพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆนะ กระดุกกระดิกแล้วก็รู้สึกตัวกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกตัวเรื่อยๆแต่อย่าจงใจนะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้จ้ อ, ง, องนี้ไม่รู้สึกหรอกอย่างเมื่อกี้พยักหน้านึกออกไหมเมื่อกี้พยักหน้าเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไหนก็หยิบอะไรใส่หม้อใส่กระทะเห็นเลยมันไม่มีตัวเราหรอกเ <c oughs> อาต่อไปเบอร์34นมัสการหลวงพ่อครับคือ ผมก็ปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำครับก็ดีขึ้นแล้วนี่ ร, รู้สึกไหมจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วครับก็เห็นจิตใจมาทํางานเองของผมนั่นแหละ<อ>ดีแล้วล่ะนะไปดูอีกใช้ได้แล้วดูเป็นแล้วก็ต้องดูไปบ่อยๆนะดูเจนวันหนึ่งใจก็พอแล้วใจก็พอเขาจะรวมเข้ามาแล้วตัดสินความรู้เองอ่ะเบอร์เก้าสหเก้าสหยกมือ กลับนมรส ก, การหลวงพ่อค่ะพอยู่ด <you> ีเมื่อเช้าขับรถมาค่ะหลวงพ่อที่นี้วิทยุเสียก็เลยปกติต้องฟังซีดีหลวงพ่อหรือไม่ก็ฟังเพลงใช่ไหมคะก็เลยไ mm. ม่เป็นไรทั้งนั้นเราก็ดูใจดูกายเราไปแล้วกันเลยค่ะระหว่างขับก็จะเห็นความคิดที่เข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลา mm. พอเข้าพอมีความคิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะ เรารู้เราก็มีสติขึ้นมาแป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นบางทีเราก็เพ่งเพ่งดูลมหายใจของเราแล้วสักพักมันก็จะคิดไปอีกจะเห็นอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เลยจะขอคําแนะนำหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อมาได้สักปีกว่าค่ะก็ไม่ได้อะไรบ้างนะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นกิเลสบ่อยค่ะเห็นความพุ่งสั้นเห็นความคิดเห็นความเป็นตัวตนของตัวเองความทุกข์น้อยลงไหม ความทุกข์น้อยลงค่ะแต่บางทีพอมันมีเข้ามามันก็เหมือนเหมืนมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ บ, บางครั้งสู้ไม่ไหว <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ <c oughs> ยังสู้ไม่ไหววันข้างหน้าก็ไหว <c oughs> บางครั้งกิเลส้ารุนแรงมันก็สู้ไม่ไหวค่ยฝึกไปจนวันหนึ่งเราแข็งแรงกว่ากิเลสอ่ะทีนี้พอเราฟุ้งซ่านอย่างนี้เราก็ควรจะทําสมาธิเข้ามาบ้างใช่ไหมจ๊ะสมาธิก็ต้องทํานะ <c oughs> ไม่เลิกหรอก <c oughs> แต่ว่าทำแล้วอย่าน้อมใจให้ซึม ทําแล้วรู้สึกตัวไปแล้วอย่างของตัวเองนี่จะมีปฏิบัติทำบ้างค่ะปีละสัก3ามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปฏิบัติสัก2อสมวันอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เลยอยากให้หลวงพ่อแนะนำนิดนึงเพราะว่ากลัวพย า, ยามพยายามอย่าไปเพ่งเอาน ะ, ะส่วนใหญ่ที่ไปเข้าวัดเข้าคอร์สไปเพ่งทั้งนั้ น, น<ม>เสียเวลาหลวงพ่อให้กันบ้านนิดนึงได้ไหมคะก็รู้สึกตัวไป<ะ>ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปเรื่อยเรู้สึก<ะ>เล่นเล่นร<ะ> 1 2 น้ำมาสการค่ะตอนนี้มันมีลมขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะเวลาไปเห็นมันขึ้นเงี้ยไม่รู้ว่าพอดูแล้วบางทีมันก็หายบางทีมันดูแล้วมันก็ยังดันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าน้อมใจนะอย่าน้อมใจให้ซึมพยายามรู้สึกตัวอยู่กับในโลกธรรมดาเนี่ให้มากๆนะลืมเรื่องการปฏิบัติไปซะแล้วก็รู้สึกตัวให้เยอะใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละแล้วพอกิเลสเกิด น, นะก็คอยรู้เอานะ อย่าไปเพ่งไว้เพ่งไว้เยอะเพ่งแล้วน้อมใจให้ซึมซึมไปไม่ดีขอบคุณค่ะเบอร์สี่สสนมัธยารหลวงพ่อค่ะหนูติดเพ่งใช่ไหมคะใช่จบแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วนะรู้แล้วนะแล้วจะทำยังไงดีก็รู้ไปเรื่อยๆโอ้ตอบถูกเอาตบมือให้หน่อย 5 86. 86 86ยกมือคราบหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมา7เดือนตอนนี้ก็ดูจิตที่มันเคลื่อนไหวไปตามทวานต่างๆ ต, า, งตาหจูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ดูความคิดปกติกฎไว้แบบนี้ไหมเอ่อไม่ไม่ <c ười> ครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับก็รู้สึกว<อ>่าออกไหมว่าขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมมันรู้อยู่กว้างๆนอกๆออกไปครับ เป็นเฉพาะตอนนี้หรือว่าเป็นตอนอยู่ที่บ้านด้วยกันไอ้ตอนอยู่ที่บ้านหลวงพ่อไม่เห็นนะสิะไ <ป S 1> อ้พวกเกรงจะไปได้ใจ alert มากเลยออก<า>มัข้างนอกรู้สึกไหมใจมันออกนอกครับรู้สึกว่าวันนี้มีปิ ต, ติค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่ฟังหลวงพ่อมาปกติฟังหลวงพ่อบางครั้งรู้สึกจิตมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยตั้งใจฟังอแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะมีปิติที่หลวงพ่อพูดถึงระยะสัตย์สี รู้สึกว่าใจมันค่อนข้างมีความสบายทีนี้ดูความคิดนี่สมัยก่อนไม่ค่อยเห็นความคิดเท่าไหร่ครับหลวงพ่อตอนนี้รู้สึกมันคิดแต่คะแนงมากมายที่ยมภาวนาอยู่ดีแล้วนะรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นมาสว่างไสวมากขึ้นมากขึ้นนะหลวงพ่อแต่ว่าตัวราคะนมันเยอะมากเลยครับหลวงพ่อไม่ห้ามมันหรอกครับแค่รู้ครับจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะครับนะขอบคุณครับหลวงพ่อ เอาสามสิเก้าครับหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับแต่คือก่อนหน้านี้ก็เคยปปฏิบัติรำมาหลายๆที่แต่ก็ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติทรมาเป็นปีแล้วครับอยากทราบว่าผมจะต้องเริ่มต้นหรือว้หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งสติที่แท้จริงมันจะเกิดของคุณมันใกล้จะเกิดแล้วเช่นใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจล อ, อยอย่างตอนนี้เมื่อกี้เคลิ้มไปพูบหนึ่งรู้สึกไหม ตเตนในใจมันวุบไปก็รู้ทันมันเป็นยังไงรู้ทันไปได้ได้หัดดูสภาวะไปแล้ววันหนึ่งสติมันจะเกิดขึ้นเองอย่างตอนเนี้ยใจลอยไปทราบไม้มเนี่ยใจลอยก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งไม่ว่ามันนะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยรู้ว่าใจลอยใช้ได้ลคะครับหัดดูสภาวะไปในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับลุณพ่อ นี่แหละฝึกหัดดูสภาวะไปนะในชีวิตประจำวันเช่นเราเจอเพื่อนเราเราดีใจเรารูนะ้เพื่อนเรามาขัดคอเราเรากโกรธเราก็รู้รู้ทันใจของเราเป็นระยะระยะห้ามไปจ้องไว้นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอยู่ที่ใจให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาไปฝึกเอานะของคุณไม่ยากหรอกใกล้จะตื่นล้ว1เ 2>, 2เชิญยกมือส่งกันบ้านรอบสองเดือนคะ่ะหลวงพ่อ โอ้รู้สึกไนหะยิ่งนานวันนะยิ่งโอกาสหายากขึ้นทุกที <laughs> โอ้นี่ท้อแท้ใจเต็มทีแล้ว <laughs> ว่าไงไม่ทราบโอเห็นถูกหรือเปล่าหลวงพ่อรู้สึกว่ามัน อ, อ่มีวันหนึ่งออกไปเห็นว่ามันเรามีความทุก เ, เวลาที่เรารู้ทุ ก, ก น, นะคะ มันไม่ทุกเท่ากับกับสิ่งที่เราไปไปอยากภาวนาเงนี้ค่ะพอมันเห็นแล้วอกก็มันวันนั้นมันคลายออกมาเอาลองสังเกตดูมาจนถึงวันนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนบางบางอย่างมันมันหลุดออกไปมันเหมือนกับมันมันโปร่งมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นแต่อ๋ไม่ทราบเพราะอ๋ไปสร้างภพที่มันไม่เอาอะไรหรือปัดอะไรทิ้งหรือเปล่าไม่ได้ปัดนะมันเป็นจริงๆิงเรารู้สึกไปเรื่อยๆ แต่ใจเราไม่ค่อยมีแรงไปนิดหนึง่งดูออกไหมมันเหมือนกับไม่ถึงฐานนิดนิดนอไม่ถึงฐานมันทําไมครับเพราะว่าโอรู้สึกว่าหมู่นี้ช่วงนี้โอดเดินเดินเดินแล้วก็ทํารูปแบบเยอะแต่ว่ามันกลับไม่มีแรงให้ให้รู้ทนันว่าจิตมันไม่ถึงฐานนะนะมันไปรู้อยู่นอกนอ ก, นอกให้รู้ทันจิตเนาะถ้ารู้ทันแล้วมันจะเข้ามาที่ฐานเองแล้วเห็นว่าที่มันไปมันเหมือนกับไม่ทราบโอเข้าใจถูกไหมตอนนี้โอไป มันเหมือนติดอยู่สิ่งเดียวคือมันไปติดพบละเอียดละเอียดอันเนื้อติดอยู่ในว่างๆใช่ค่ะแล้วอกอกก็รู้สึกนะคะว่ามันมีความยินดีมันมีราคาแทรกจิตมันถึงไปยึดตรงนั้นใช่แต่มันมันก็ให้รู้ทันที่ว่ามีความยินดีขึ้นมาเวลาที่จิตไปติดพบเนี่ยนะติดด้วยสองอันนั้นหนึ่งติดแล้วไม่เห็นไม่มีทางหลุดเลยและอันที่สองเนี่ยมันติดอยู่ได้ก็เพราะว่ามันพอใจถ้าเราเห็นทันรู้ทันความพอใจมันก็จะหลุดออกมา โอเห็นว่ามันมันมันน่ากลัวมากตรงที่เราเราไม่รู้ทางจริงๆแล้วเราก็ไปยึดทุกอย่างที่เราปลุกไปกลัวนะถึงยังไงก็ยึดมันไม่ต้องกลัวมันมันเป็นความจริงที่จิตเร า, าต้องยึดอยู่แต่เราก็จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะวันหนึ่งมันไม่ยึดอะไรเลยมีมีอยู่วันเนื้อหาลวงพ่อไปเห็นว่ามันเออไม่เราบว่าข้าใจถูกไหมโอ้มีคนรู้สึกว่าจริงๆแล้ว อย่างจิตนะคะหรือสภาวะธรรมต่างๆเนี่มันเหมือนกับมันพยายามเอาตัวรอดอยู่ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นออกไปเห็นหางมันเข้าค่ะมันมันอยู่ของมันดีๆแต่ว่าพอเราไปขยับจิตเคลื่อนไปที่จะไปทำการรู้สึกตัวมันกลับไปสร้างภพต่างๆที่แบบบทบังธรรมชาติไปหมดเลยถูกต้องแล้วเวลาที่จิตมันทํางานนั่นแหละเรียกว่าภพนะคาว่าภพเนี่ยชื่อเต็มๆของมันคือคําว่ากรรมขอภพคือการที่ทางการทํางานของใจนั่นเอง มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเมื่อไรนะก็เกิดการทำงานของใจเมื่อใจทำงานขึ้นมามันก็ปิดบังธรรมชาติดั้งเดิมของมันไปเวลาที่เราภาวนานแล้วเรารู้ทันถึงกระทั่งจิตไม่สร้างพบเพราะมันหมดความรักในตัวเองหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วมันถึงจะไม่สร้างพบขึ้นมาพอมันไม่สร้างพบขึ้นมาเราถึงจะได้เห็นธรรมชาติที่พ้นจากพบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพาน ทุกวันนี้เราไม่สามารถเห็นนิพพานได้เพราะใจเราทำงานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเราไม่ชอบมันโอไปดูที่ไม่เป็นกลางค่ะดูตรงไม่เป็นกลางแล้วรู้สึกโอเห็นว่าหลวงพ่อให้กุญแจมาตลอดเวลาคือให้ดูความเป็นกลางให้ยอมรับแต่เเห็นว่าถ้ามันไม่มีปัญญาพอมันจะไม่ไปมองมุมนั้นเลยให้รู้ทันให้รู้ทันที่มันไม่เป็นกลางนะ แล้วแล้วมีคําถามกัะหลวงพ่อโอเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยจิตมันเหมือนกับมันเข้ามันจะเข้าไปรวมนะคะแล้วโอ๋ก็เห็นว่ามันอย่างที่เคยส่งกับบ้านหลวงพ่อว่ามันเห็นแสงย่อได้ขยายได้โอสังเกตเห็นว่าเห็นที่มันย่อได้ขยายได้แสงแต่โอเห็นว่าพอไปเห็นตรงนั้นแล้วมันจิตมันไม่เข้าไปโอเข้าใจว่าตอนแรกโอเข้าใจว่ามันไม่มีแรงแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยากทําสมถะแต่มันอยากเดินปัญญาใช่จิตมันจะเดินปัญญามันไม่ยอมรวมหรอก แล้วถึงรวมนะก็ไม่รวมนานรวมแวบๆก็ขึ้นมาทํางานต่อไม่ไม่รวมก็ไม่เป็นไรไม่เข้าไปมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไม่ต้องนะถ้ามันจะรวมก็อย่าไปฝืนมันอย่าไปกลัวนะถึงวันหนึ่งก็ต้องให้มันรวมต้องพักบ้างถ้าจิตไม่พักเลยเนี่ยโอจะไม่มีแรงตอนนี้ไม่มีแรงหรือออกไหมเพราะฉะนั้นบางทีนีต้องน้อมเข้าไปให้มันพักผ่อนบ้างอย่าไปกังวลว่าไม่ได้เจริญมีปััสนาตลอดเวลา ไม่มีใครสามารถเจริญวิปัสสนาได้ตลอดเวลาหรอกถามสุดท้ายกบถ้าเกิดถ้าเกิดโอยังมีวินัยโอยังยังรู้สึกไปอย่างนี้คือโอยากอยากหมดความกังวลอยากหมดภาระแล้วก็เอยากให้หลวงพ่อไม่ต้องมีภาระมากโอไม่ต้องถามหรือไม่ต้องส่งกันบ้านแต่เดินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมคะหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะบางทีมันก็ไปติดสภาวะที่เรารู้ไม่ทันเหมือนกันต้องมาส่งกันบ้านเหมือนกัน ในสภาว ะ, ะที่เราไม่รู้จักในเยอะเราก็นึกว่าไม่ติดอะไรแล้วที่แท้ติดอยู่ครบขอบคุณค่ะหมดยังอเบอร์เจสิบสี <24 S 2> นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเริ่มเริ่ ม, มปฏิบัติอากาศหลวงพอ่อหนูไม่รู้ว่าที่หนูรู้สึกตัวเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอะค่ะถูกสินะรู้สึกไปบ่อยๆค่ะแล้ว หนูอยากทราบว่าหนูควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ดีค่ะหลวงพ่อ ด, ดูดูจิตของเราไปเลยนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงทั้งวันอยู่แล้วเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเดูไปเรื่อยๆหนูเคยดูท้องพองยุบแล้วซ<ม>ักสักพักหนูรู้สึกปวด<ม>ปวดหัวแล้วก็นั่นแหละเครียดไปไปดูแล้วไปจ้องใส่มันแนละเครียดนั่นหนูก็ดูว่าเวลาหนูเผลอไปคิดหนูก็ ให้รู้ตัวว่าเพลียแค่รู้นะอย่าไปคิดหนอคิดหนอไม่ต้องนะแค่บางคนไปบริกรรมซ้ํเขาไปเครียดเข้าไปอีกภาวนาแล้วอย่าให้เครียดสี่สิบหการหลวงพ่อค่ะคราก่อนมันส่งการบ้านหลวงพ่อว่าที่ติดเพ่งอยู่ก็ไปพยายามไปแก้ที่นี้ก็กลายไปว่าไม่รู้ว่าหายหรยังติดเพ่งแล้วก็รู้สึกบางทีก็กดคม อยอมดูออกใช่ไหมว่าไปเพง่งดูออกไหมว่าไปขมข<อ>ถ้าดูออกแล้วมันจะเริ่มคลายออกนะแต่มันก็ยังเป็นเป็นหายหายไม่เป็นไรเป็ น, เ ป, นเป็นหายหายก็ยังดีดีกว่าไม่หายเลยแล้ววันี้ช่วงนี้งานเยอะก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ปฏิบัติเลยในในใ น, ในช่วงเวลาทํางานในเวลา<ต>ที่ทํางานที่ต้องคิดมันปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วละ่<ต>นะนี่นตื่นนอนขึ้นมานะเราก็หันดูกายดูใจของเราเลยตั้งแต่ตื่น ตอนที่ยังไม่ได้ทํางานน่ะแต่พออยู่คนเดียวก็จะเห็นเห็นความคิดตัวเองไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้นให้รู้ทันว่าใจมันคิดนะไ ม, ไม่ต้องไปดูเรื่องที่มันคิดนะให้รู้ว่าใจไปคิดค่ะ<อ><อ>แล้วต้องนั่งสมาธิบ้างเปล่าคะต้องนั่งนะนั่งเพื่อพักผ่อนนะไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองนั่งตัวตรงหรือนั่งตามสบายนั่งตามสบายอย่าให้หลับก็แล้วกัน ก็คือจะนั่งตัวงอตัวยังไงก็ได้ใช่ไ้ยครับได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าจะภาวนาหนะ้าถึงที่เอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้าทำความรู้สึกไปก็ยังเรียกว่าปฏิบัติอยู่มันไม่ได้สำคัญที่ท่าทางหรอกออสำคัญที่ว่าจิตของเรามีคุณภาพไหมรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าขาดสตินะแปลว่าขณะนั่งรู้ว่าตัวง อ, อขณะนั่งรู้ว่าจิต ออกไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้แค่นั้นเองนะคะแค่นั้นแหล ะ, ะทำแค่นี้แหละพอแล้วทำมากกว่า น, นี้ก็เหนื่อยต่อไปอเบอร์ร้อยสี่สิบแปดการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะมาส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะก็ฟังเสดหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าเดือนและะ้วค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ เห็นกิเลสไมสีห้าเดือนเนี้ยเห็นค่ะช่วงแรกจะเห็นโทสะเยอะมากค่ะแล้วก็เห็นอัตตาบ้างแต่ช่วงหลังๆจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเพ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าติดประคองอยู่ดีที่รู้ทันนะแล้วคนที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยมาหัดดูสภาวะจะดูได้ง่าย ดูได้สบายๆอยู่ช่วงเดียวก็จะกลับไปเพ่งเหมือนกันหมดทุกคนแหละ <c oughs> เพราะอะไรเพราะอยากดูให้ชัดขึ้นเพราะอยากดูให้ชัดนะกลายเป็นเพ่งไปแล่<ฆ>เรารู้ทันว่าเพ่งอยู่ดีแล้ว<อ>ไม่ต้องชัดก็ได้แล้ว อ, อ, อ, อยากให้หลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับจิตของตัวเองนะคะ <c oughs> นั่นแหละดูจิตอยู่แล้วใช้ได้ไม่ต้องทาสมาธิเพิ่มอะไรสมาธิถ้ามีโอกาสก็ทำนะทาเล่นๆทาเพื่อพักผ่อน สมาธิทิ้งทีเดียวไม่ได้หรอกถึงบางคนเบื้องต้นหลวงพ่อบอกให้เลิกไปก่อนอย่เพิ่งทําสมถะนะอันนั้นสําหรับคนที่ติดสมถะงอมเง้มพอเลิกไปแล้วช่วงหนึ่งนะเจริญสติชำนิชํานาญแล้วยังไงก็ต้องกลับไปทําตหนูไม่ได้ติดสมถะงอมเง้มใช่ไหมคะใกล้ใกล้แล้วเริ่มเพ่งแล้วโอเคเริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมล่ะรู้สึกค่ะมันจะแน่นขึ้นแนั่นแน่มันแน่นเพราะอะไรเพราะอยากจะรู้ให้ชัด เพราะอยากจะรู้ตลอดเวลาเพราะอยากจะรู้ไม่ให้คลาดสายตานมันก็เลยกลายเป็นการจ้องเอาไว้แล้วที่ทำอยู่นี้ถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วที่รู้ทันนะเมอห้อาเบเดห้าสเยกมือใกล้จะได้กลับบ้านแล้วอดทนไหมบางคนนะท้อแท้ใจยกไม่ได้สั <laughs> กทีกราบนมรดกการค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้มีฉันทะในการภาวนามากขึ้นแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าคําว่าฉันทะกับความว่าอยากมันมันมันใกล้กันมากเลยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อฉันทะเนี่ยนะเรามีความสุขเรามีความพอใจที่ได้รู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏตัณหาเนี่ยขี้เกียดรู้นะแต่อยากได้ผลอยากได้มากได้ผลสังเกตที่ใจเราสิเรามีความสุขที่ได้รู้อยู่กับปัจจุบันหรือเราฝันถึงอนาคต ปัจจุบันค่ะเออปัจจุบันก็เป็นชันทะแหละทีนี้จากวันนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าคนเรามีเวลาสามหมื่นวันค่ะหลวงพ่อทีนี้มานั่งคิดว่าของเราเราก็ยากจนมากเลยเพราะเราเหลือไม่เยอะค่ะหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อก็เหลือนิดเดียวละพอคิดออกมาว่าเจ็ดพันกว่าวันเหมือนกับเราใช้วันละบาทคิดแล้วเราแป๊บเดียวก็หมดนะหลวงพ่อทีนี้ก็เลยอยากปฏิบตัติก็เลยมออีอย่างที่วันนั้นหลวงพ่อเทศที่ศาลาลุงชิน บอกว่าเราไม่หวังผลแต่เรามีฉันทะในการปฏ<ม>ิบัติน้ำหยดลงไปวันหนึ่งมันก็คงล้น<ม>ล้นอ่างเก็บขึ้นมามนั่นแหละฝึกไปนะอย่ารีบร้อนที่ปฏิบัติมานี่ใ ช, ใช่ได้น ะ, ะใชได้นะกับขอบพระคุณค่ะแต่ใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะรู้สึกไหมแปดสิบ นมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากทราบว่าอาการประคองด้านขวาค่ะหลวงพ่อยังอยู่ไหมอยู่<笑><笑>แล้วก็ใจไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะใช่แย่เลยแย่เลยเนี่ยไม่เอาไหนเลยตรงเนี้ยไม่เอาไหนเลยประคองด้านขวามีไหมมีเป็นไรไหมไม่เป็นใช่ไหมเออเป็นอย่างงั้นไม่ตั้งมั่นเป็นไรไหมไม่เป็นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นแย่เลยไม่เป็นกลางแล้ว เผอรามสกลับนมประสการ์หลวงพ่อครับผมควรปฏิบัติอย่างไรครับเหลอทําสมาธิมาหรือเปล่าไม่ค่อยได้ทําครับพยายามเคลื่อนไหวนะกระดุกกระดิบแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะรู้สึกเล่นๆไปเรื่อยๆพยายามรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหม ใจลอยเมื่อไหร่ก็รู้ว่าใจลอยไปแล้วไม่ห้ามมันนะอย่าตอนนี้ลอยไปอีกแล้วรู้สึกไหมครับ Na, ใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้นะไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยคนะอยรู้ทันอย่างนี้นะมันไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึอกอย่างนี้บ่อ ย, อยๆเดี๋ยวสติเกิดเองแหละครับล้วสติเกิดแล้วเดี๋ยวตัวอื่นมันก็ค่อยพัฒนาถ้าไม่มีสติตัวเดียวนะกุศลเกิดไม่ได้เลยเบอร์เก้ อยู่ข้างหลังนะข้างหลังรักกรหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับปุ้ยจะถนัดใช้สวนชินวัญชรเอาแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดเผลอรหรืออะไรที่ออกจากอันเนี้ยก็คือจะเป็นการรู้ตัวอย่างนี้จะทำให้ติดเพ่งไหมคะหรือว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมตอน น, ตนี้ใจมันก็ยังเพ่งอยู่นะแต่ถ้า<อ>ไม่ทำแล้วใจมันก็ฟุ้งมากใช่งนะั้นลองสวดให้หลวงพ่อฟังซิเพาะไหมอาว่าไป ชยาสารกตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสจ้สะพังระซังเยินนีิสุเนียทราบค่ะเราสวดๆนะใจไหลเวิบไปเราก็รู้ทันค่ะก็คือพอใจไหลก็ก็คือจะรู้เออเราจะต้องไม่ต้องทําอะไรหรอกนะฝึกอย่างนี้เลใช้วิธีนี้ได้ใช่ได้แล้วใจเราไหลไปแล้วเรารู้นะสวดไปก็รู้สึกตัวไปสวดไปก็รู้สึกตัวไป แล้วถ้าใจไหลแล้วเรารู้มีค่ะหลวงพออ่อตอนนี้นะคะใจมีความสุขมีความสุขเบิกบานที่ได้มาพูดค่ะแล้วไง อ, อ, อยากกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะฝึกไปนะ อย่ตอนนี้จิตมันไม่ได้มีความสุขเฉยๆแต่จิตมันมีปีติด้เห็นไหมมีปีติเราก็รู้ไปจิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆนะมีปิติเราก็รู้ไปฝึกไปแล้วบางทีจิตเนี่ยนะคะไม่รู้จิตมันรู้เองหรือเราคิดเองนะคะบางทีมันเผอสึกว่าจิตมันไม่ใช่ของเราหรือแป๊บเดียวเองอะนะคะเอานะเราเห็นเป็นขณะขณะไปเวลาที่เราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเนร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรา แต่ว่าพอเราไปเห็นเนี่ยยังเห็นไม่พอใจมันยังไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเลยนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีคนที่จิตยอมรับความจริงได้อย่างแท้ จ, จริงนะก็คือพระโสดา บ, บันแล้วอย่างที่ว่าตอนเช้าหลวงพ่อบอกว่าลุกขึ้นมาเป็นนาทีทองใช่ไหมคะมีอยู่เช้าหนึ่งลุกขึ้นมาเห็นว่ามันมันเป็นใครก็ไม่รู้ลุกขึ้นมานั่นหละดีเราเห็นรูปแล้วไม่ใช่คนเห็นไหมตัวอะไรก็ไม่รู้ ไม่ใช่ตัวเราด้วยเห็นแม่นาทีทองจริงๆนะแต่เห็นก็เห็นแป๊บเดียวเหมือนกันเห็นแป๊บเดียวถูกต้องแต่เห็นนานๆไม่ใช่ของจริงคิดใช่ไหมคะถ้าเห็คิดเอาแล้วตอนเช้าๆนี่นะคะทุกเช้าเหมือนกับว่าเขาจะมาให้แสดงเห็นความทุกข์ของกายอะค่ะจะเห็นเนามันป่วยแล้วก็เบื่อว่ากายนี่มันน่าเบื่อน่าอะไรเนี้ยให้รู้ทันใจที่เบื่อกายมันไม่เป็นคนไม่สบายนะกายยังไม่บ่นเลย จิตไม่ได้ป่วยด้วยนะจิตบนดูสิพิลึกไหมแล้วก็กังวลนะเห็นไหมกังวลกายไม่เคยกังวลเลยเนีเพราะฉนั้นกายเป็นคนป่วยนะแต่จิตเป็นคนกังวลนต้องแยกกันให้ออกนะกายป่วยก็ส่วนกายไปหาให้หมอมันรักษาส่วนจิตกังวลเนี่ยเป็นส่วนเกินเราต้องดูเอาเองวันนี้สั่นตัวไม่เป็นไรฟังเทปท่านทุกวันแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยค่ะอย่าให้เคลิ้มนะมีความสุขแล้ว ใจมันเคลมเลมเพลิดเพลินไปด้วยอย่างนั้นไม่ดีไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ดีนะเดี๋ยวจะติดครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ต้องการให้ติดหลวงพ่อให้ติดเราอิสระใช่ไหมค่ะต้องอิสระเรียนแล้วช่วยตัวเองได้ค่ะแล้วตอนนี้เออจำพอมีความสามารถที่ว่าคุณสมัครเป็นพี่เลี้ยงของการไฟฟ้าได้ไหมคะอย่าเพิ่งนะเราฝึกอของ<ช>เราให้ใชํชนานาญก่อนะนะไปช่วยคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวใจเราฟุ้งซ่านหมดแต่ห่วงคนอื่น ให้ใจเราได้ก่อนนะคะได้ได้ได้ธรรมาเลยยิ่งดีที่สุดเลยเอาตัวเองให้รอด <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนนะช่วยตนเองก่อนเหมือนเวลาเราเดินไปแล้วสะก็ดไฟตกลงมาใส่ศีรษะเราใส่ศีรษะคนอื่นเราต้องปัดศีรษะเราก่อนใช่หหรือนั่งเรือบินใช่ไหมเวลาไอ้หน้ากากาออกซิเจนตกลงมาก็บอกให้ใส่ตัวเองก่อน <c oughs> ต้องช่วยตัวเองก่อนให้รอดก่อนนะคะเอนะให้รอดก่อน แล้วตอนนี้จะตั้งใจว่าปฏิบัติบูชาแทนคุณหลวงพ่อคะ oh, ่ะชอบมา ก, มากน ะ, ะโมทนาสาธุเลยเอ า, าเชิญจมกับบ้าน